เรื่องค่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะมันเรื่องของการพูดเรื่องของความคิดอยู่ในจิตใจถ้าพระโพธิสัตว์ไม่มีสติท่านจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้มันมีตัวตัวปรุงข่าวขาวขึ้นมาในใจแล้วตัวปรุงข่าวข่าขึ้นมาในใจเนี่ยเราลองสังเกตเองนะ มันมีในใจเราบ้างไหมถ้ามีถ้ามีจะกําจัดมันได้ไหมการกาจัดการกาจัดนะไม่ใช่ด้วยวิธีเข้าไปต่อต้านนะหรือเข้าไปห้ำหันมันจิตใจตอนที่ต่อต้านห้ำหันเนี่ยมันดุเกินไปจิต ด, ดุเนี่ยเป็นจิตโทสะนะ ลักษณะของโทสะเนี่ย น, นะคือมีความดุเป็นลักษณะเวลาเราโกรธใครเรารู้สึกว่าดุไหมรู้สึกว่าเคี่ยวงอกไหมรู้สึกน้ำลายจักเหนียวแล้วนะเอเขงาไปแล้วนะเกิดเป็นฟองแล้วพร้อมที่จะเหงาจะขยําง่าก็จะได้ตลอดมีความดุเป็นลักษณะเวลาคนโกรธดุแม้แต่ครั้งใจตัวเองนะ โกรธใจตัวเองก็มีนะโกรธความโกรธเนี่ยมันทำหน้าที่อยู่สองสองอย่างความโกรธเนี่ยนะหนึ่งทำลายสิ่งที่ถูกรู้คือทำลายอารมณ์นั้นอารมณ์ไหนที่ทำให้โกรธเช่นเช่นใครดีนี่เป็นพี่น้องกันป ะ, ะเป็นพี่น้องกันไหมสมมติคนนี้โกรธคนนี้เมื่อจิตคนนี้โกรธ ก็อยากจะทำลายคนน ar UH <Okay. S 2> ี้คนนี้เป็นอารมณ์ของจิตนี้คนนี้โกรธคืออยากจะทำลายคนนี้ถ้าพี่โกรธด้วยพี่ก็จะทำลายคนนี้ต่างคนต่างทำลายทำลายอารมณ์ซึ่งกันและกันนี่คือหน้าที่ของความโกรธหน้าที่ของความโกรธคือทำลายอารมณ์นี่หน้าที่อย่างที่หนึ่งหน้าที่อย่างที่สองทำลายจิต ดูสิมันทลายหมดเลยนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์สมมตินี่เป็นอารมณ์นี่เป็นจิตจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เมื่อมีความโกรธขึ้นมาทำลายหมดเลยทำลายอารมณ์ด้วยทำลายจิตเองด้วยมันลายไหมตัวเองที่มีความโกรธขึ้นมานะใจนั้นถูกทำลายไปแล้ว ทำลายก่อนที่จะไปทำลายอารมณ์โดยซ้ำไปจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นถูกทำลายทําให้ทุกไปแล้วทุกครั้งที่มีความโกรธจิตขณะนั้นเป็นทุกทันทีมีทุกขเวทนาเกิดพร้อมขึ้นด้วยทันทีเพราะถูกทำลายถูกทำลายถูกทําร้ายเป็นจิตเสียไปเลยจิตที่มีความโกรธขณะนั้นเป็นจิตเสียและมีทุกขเวทนา เกิดขึ้นประกอบพร้อมทันทีโดยไม่ต้องเรียกของแถมจากไหนเลยมันแถมให้เสร็จอัตโนมัติเลยนี่ความโกรธนะถ้าไม่เห็นมันก็ทำลายอยู่นั่นแหละทำลายจิตตัวเองแล้วก็ไปทำลายคนอื่นคนอื่นถูกทำลายกูโกรธอีกทำลายมึงตอบเป็นวงจร อ, อุบาทมั้ยความโกรธมันจึงอย่างนี้ถ้าไม่เห็นมันถ้าไม่เห็นมันมันก็ยังคงคุกคาม รอบงำทำทำลายทั้งตัวเองและทําลายสิ่งที่ถูกรู้นั่นอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เป็นอารมณ์ที่น่าพอใจขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนความเปลี่ยนสิ่งรู้เสียงเช่นมองอยู่แล้วโกรธกลายเป็นฟังนะหรือกลายเป็นกินบางคนกินดับโกรธยิ่งโกรธยิ่งอ้วนเธอ่มน้ำหนัก มีไหมกินดับโกรธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะสิ่งที่เราจะต้องทําต้องฝึกนะให้รู้ว่าแม้แต่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำลายตัวเองแล้วนะแต่มันมีคู่ปรับนะมีคู่ปรับเรียกว่าสติสติมีหน้าที่รักษาจิตหน้าที่ของสติคือรักษาจิตเราไม่ต้องรักษา เพียงแต่สร้างสติขึ้นมาทำสติขึ้นมาบ่อยๆสติสติแปลว่าระลึกรู้แปลเป็นไทยนะหมายถึงรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าดูยากจิตใจมีความโกรธเป็นยังไงความลักเป็นยังไงนึกได้ไห้ว่าความโกรธเป็นยังไงเมื่ออดีตนึกได้ใช่ไหมเคยมีราคะในอดีตไหม เคยมีใช่ไหม เ, เคยฟุ้งซ่านไหมเคยเคยหดหูไหมเคยท้อถอยไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละเป็นสภาวะอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปแต่มันเกิดขึ้นมาอดีตเรานึกได้นึกถึงสภาวะอดีตน่ยประโยชน์มันน้อยนะแล้วยังไม่เรียกว่าเป็นสติเป็นการระลึกถึงอดีตสติคือระลึกถึงเหตุ เหตุที่เกิดขึ้นปัจจุบันปัจจุบันนี้ขณะ น, นี้แต่เป็นขณะปัจจุบันแบบไม่ใช่ปัจจุบันแท้เพราะทุกครั้งที่มีความโกรธหรือมีอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นจะไม่มีสติจิตเนี่ยที่มันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องทุกๆขณะเนี่ยนะขณะที่มีสติขณะนั้นจะไม่มีอากุศลขณะที่มีอากุศลจะไม่มีสติเป็น เป็นอะไรเหมือนไฟเปิดปิดสวิตซ์ออนออฟทุกครั้งที่ออฟคือไม่มีแสงทุกครั้งที่ออนคือมีแสงฉะนั้นขณะที่มีอกุศลไม่มีสติขณะที่โกรธไม่มีสติขณะที่มีราคะไม่มีสติ <c oughs> ขณะที่ฟุ้งซ่านใจลอยหดหูเนะี่พวกนี้ไม่มีสติทั้งนั้นเพราะราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านใจลอยหดหู เป็นเรื่องของอกุศลทางนั้นอกุศลที่เกิดขึ้นจะไม่มีสติเกิดขึ้นพร้อมแต่สติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตดวงนั้นดับไปแล้วและมีดวงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตมีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับจิตในขณะเมื่อกี้นี้โดยที่ไม่มีอะไรแทรกไม่ใช่เว้นไปแล้วนานแล้วจึงค่อยรู้ย้อนกลับมาอย่างนี้เรียกว่า รู้อดีตไม่ใช่รู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันคือรู้แบบทันทีไม่มีอะไรแทรกเพียงแต่ว่าจิตที่เป็นอกุศลนั้นมีสติไม่ได้แน่นอนต้องให้มันดับไปก่อนแล้วรู้จิตดวงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นจิตดวงนี้แหละเรียกว่าจิตที่มีสติรู้ว่ามันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นขณะที่รู้นี้ดับไปนะจิตมันเกิดดับเกิดดับทุกขณะนะ จิตนี้มีมีอากุศลจิตนี้รู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดับนะแล้วไม่ใช่ดับพร้อมกันนะมันดับเรียงนะอกุศลเกิดดับมีสติรู้ดับแล้วอาจจะมีคาบรรยายว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเฮ้ยกูมีราคะไปแล้วเฮ้ยกูเผลอคิดไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฉันอดหูชลยนฉันฟุ้งซ่านอะไรอย่างงี้นะมันมีคำบรรยายมาตอนหลัง ให้รู้ว่าขณะบรรยายเนี่ยเป็นขณะที่รายงานผลไม่ใช่ขณะที่ปินสติแท้ๆฝึกไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปจนจำได้แม่นจำได้แม่นจาได้ว่าถ้าอาการมันอย่างเนี้ยเริ่มขุ่นๆอย่างเงี้ยนะเริ่มดุขึ้นมาแล้วเนี่ยโทสะแล้วนะหรือเริ่มชักอะไรเหม่อๆใจลอยไม่รู้ตัวแลยนะอันนี้ฟุ้งสาร หรือว่ามีโมหะขึ้นมาแล้วหรือชักอ่อนแรงชักอ่อนแรงลงไปเนี่ยจักรูและ ว, วันนี้คือเริ่มท้อถอยเริ่มหดหูเหมือนการครบคนเหมือนการครบคนใครที่เคยเข้าเรียนเข้าเรียนใหม่ๆนะแล้วก็ต้องมีจัดกิจกรรมรับน้องมีไหมเคยเข้าไหม ต่พวกมหาลัยเนี่ยน่าจะมีจากกิจกรรมรับน้องเนี่ยนะคนมันไม่รู้จักกันอะ่ะก็ต้องติดป้ายนี่นี่กิจนะนี่อะไรมายมบนี่ภูมินะสมมติรุ่นเดียวกันนะข อ, อนักรุ่นเดียวกันหน่อยนะเวลาเจอกันเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักชื่อกันก็ต้องดูป้ายดูป้ายดูป้ายดูหน้าดูป้ายดูหน้าไอ้นี่ชื่อนี้มีลักษณะอย่างนี้ไอ้นี่ชื่อนี้มีลักษณะอย่างนี้ดูไปบ่อย ดูบ่อยๆเห็นอากัปกิริยาท่าทางเขาด้วยบุคลิกการเดินเป็นยังไงการคุยเสียงส่งเสียงแบบไหนไปไปม า, มาเอาเอาป้ายออกก็ยังจำได้นี่ภูมินี่มยมนั่นแม่ภูมิสามารถบอกได้ไปไปมาเรารู้จักการสนิทมากขึ้นแม่แต่เดินมาไกลๆแล้วก็เห็นทักได้ว่าคนนี้มาบางทีหลับตาได้ยินเสียงเดินก็ยังรู้ว่า ไอคนนี้มาเหมือนกันนะสติมีเหตุใกล้ก็คือว่าความจําได้สัญญาธิระสัญญาคือจําได้แม่นทนะิระแปลว่าเสถียรนั่นเองความแม่นสัญญาคือความจําสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้รู้บ่อยๆจนจําได้รู้ทีแรกเนี่ยมันจะเป็นรู้แบบจงใจ คล้ายๆกับว่าต้องให้มันเข้มๆสักหน่อยต้องมีแบบเกินจริงสักหน่อยนะเฮ้ยฉันโกรธไปแล้วเฮ้ยฉันหลงไปแล้วให้ i, ฉันฟุ้งซ่านไปแล้วอะไรเงี้ยนะมันต้องมีคล้ายๆว่าเกินจริงเข้มเกินจริงไปสักหน่อยนะยังไม่ค่อยธรรมชาติสักเท่าไหร่ยังไม่อัตโนมัติยังต้องใช้แรงใช้แรงเข้าไปรู้บ่อยๆรู้ก้มนานๆเข้าจาได้ มันขยับนิดหนึ่งเรารู้แล้วนะขยับนิดหนึ่งเรารู้แล้วอย่างนี้เรียกว่าพอรู้ได้เองเป็นอัตโนมัตินะ่ะใช้ได้นะแต่ต้องอาศัยรู้ที่มันไม่ค่อยธรรมชาติได้แหละทํานี้ไปก่อนนะทำนี้ไปก่อ น, นะ น, อนตอนรู้ที่เป็นธรรมชาติอาศัยตอนที่เรามีเครื่องอยู่ อาศัยมีเครื่องอยู่ไปก่อนเริ่มต้นนะที่จะให้เห็นสภาวะทั้งหลายได้ชัดเจนขึ้นต้องมีเครื่องอยู่แล้วพอจิตเคลื่อนออกจากเครื่องอยู่เราจะเห็นได้ชัดว่าจิตนี่มีการทำงานมีการเคลื่อนไหวเช่นหลายคนในที่นี้ดูลมหายใจใช่หมลมหายใจลมหายใจปกติจะมีลมหายใจความแรงความเบาของมันระดับหนึ่งลมหายใจถ้ามันเปลี่ยน เราจะเริ่มรู้แล้วว่าจิตเริ่มไม่ปกตินะชัดๆเลยก็คือตอนที่โกรธนะโกรธเนี่ยหายใจจะแรงขึ้นนะจะแล้วอาจจะมีปากเจอนะพวกนี้ยนะพวกที่จับเคล็ดตรงนี้ได้คือพวกที่เล่นละครนะพวกเล่นละครเนี่ยบางทีเขาไม่โกรธหรอกนะแต่ต้องการจะให้โกรธเขาก็หายใจแรงขึ้น มันจะก็ะโกรธขึ้นมานะทัทั้งที่เขาไม่ได้มีความโกรธหรอกแต่ต้องเล่นละครนะเวลาเรามีการหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมคือภาวนาโดยใช้ลมเป็นเครื่องอยู่นะคือมีอานาปานาสติเราอยู่กับลมอยู่บ่อยๆสังให้จิตอยู่กับอารมณ์บ่อยๆมันจะเผลอไปบ้างก็รู้ทันมันจะเผลอไปบ้างก็รู้ทันครูบาอาจารย์ก็เรียกว่า พุทโธให้รู้จิตพุทโธให้รู้จิตก็คือพุทโธนี่คือพุทธลมเขา้าทลมออกนะนะดูมีลมหายใจแล้วมันเคลื่อนไปให้รู้ทันลมหายใจเปลี่ยนแปลงเพราะจิตมันเริ่มทำงานในลนักษณะต่างๆพอโกรธขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนแรงขึ้นบางทีไม่รู้จิตมารู้กายก่อนคือมีลมที่มันเปลี่ยนแปลงสังเกตได้ง่ายคนบางคนบอกว่า ฉันไม่ค่อยถนัดในการสังเกตจิตก็สังเกตลมเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปลมมันแรงแล้วอะไรละ่ะที่มันทําให้แรงก็ต้องรู้อ๋อความคิดนั่นเองที่มันทําให้ลมมันเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้รู้สภาวะได้ง่ายขึ้นจากการดูกายและไปรู้จิตไม่ใช่ว่ารู้กายแล้วจะไม่รู้จิตเลยนะเพราะมันอยู่ด้วยกันจิตก็อาศัยกายนี่แหละ แล้วจิตเองก็มีอิทธิพลที่ทำให้กายได้เปลี่ยนแปลงไปจิตที่โกรธทำให้ลมมันแรงจิตที่เมอรลอยลมก็อีกแบบหนึง่งจิตฟุ้งซ่านอีกแบบหนึง่งลมไม่เหมือนกันนะลองสังเกตดูนอกจากจะดูลมแล้วดูใจได้ด้วยนะเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นแล้วสติไปรู้ทันขณะนั้นอกุศลดับ ถูกตัดโดยจิตได้โดยจิตที่มีสติจึงเรียกว่าสตินี้มีหน้าที่รักษาจิตเพราะทุกครั้งที่มีสติมาไม่มีอกุศลเกิดขึ้นเลยเลยนะในขณะที่มีสตินะแต่จิตที่มีสตินั้นก็ดับไปด้วยเพราะมันไม่เที่ยงจิตเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอจิตที่มีสติเองก็ไม่เที่ยงดับไปเหมือนกันนะถ้าไม่ฝึกให้มันเกิดบ่อย มันก็ไม่ค่อยเกิดและก็จำไม่ค่อยได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฟุงซ่านมันเป็นยังไงว่าโกรธนเป็นยังไงว่ามันได้แต่อ่านได้แต่ฟังคนอื่นเขาไม่เห็นไม่เห็นอะไรเขาเรียกว่าไม่เห็นของจริงไม่เห็นจากประสบการณ์จริงๆของจิตเองปัญญาที่เกิดขึ้นนะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอ่าน การฟังเป็นปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้อื่นไปอ่านพระไตรปิฎกคือไปอ่านเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าบ้างอ่านเอาความรู้ของพระเถระ <chied> ผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายบ้างยังไม่ใช่จากประสบการณ์ตัวเองเป็นประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายอ่านแล้วถ้าเราไม่เห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจกิเลสต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นในใจ ความรู้นั้นยังไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าฟังคนอื่นเช่นฟังอาตมาหรืออาตมาไปฟังครูบาอาจารย์ก็ฟังจากประสบการณ์ของท่านที่กรรองมาจากความประสบการณ์ทั้งหลายเป็นกลายเป็นความรู้ของท่านนะไม่ใช่ความรู้ของเราไม่ใช่ประสบการณ์ของเราถ้าเราไม่เห็นสภาวะนั้นเองเราจะมีปัญญาขึ้นมาได้ต้องไม่ใช่จากการเพียงการฟัง ไม่ใช่จากการเพียงความคิดความคิดก็เป็นความจินตนาการเป็นจินตนาการคิดคิดเอายังไม่ใช่ของจริงต้องเว้นจากคิดและฟังมาภาวนามายะปัญญาคือเห็นจริงๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจตรงนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแท้ๆปัญญาจากคิดและจากฟัง ยังเป็นปัญญาแบบใช้กับโลกนะยังไม่เป็นปัญญาที่จะให้เกิดเกิดอะไรเกิดมากเกิดผลแต่ต้องอาศัยตั้งสองอย่างเป็นเบื้องต้นก่อนจะให้ภาวนาเลยทันทีเราก็คงไปไม่ถูกใช่ก็ต้องฟังฟังครูบาอาจารย์หรือฟังพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดทันนะตอนนี้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า ก็ต้องฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์ก่อนหรืออ่านจากคำภี์พระไตรปิฎกส่วนความคิดที่เกิดขึ้นในใจมีประโยชน์ไหมมีเหมือนกันนะถ้ารู้ทันความคิดที่มีอยู่ในใจเนี่ยมีประโยชน์สําหรับที่จะใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับทํางานสําหรับเดินทางไปไหนมาไหนแต่ความคิดนั้นมันอยู่สําหรับโลก ถ้ารู้ว่าจิตมันคิดคือจิตมันทำงานนะตอนที่มันคิดเนี่ยมันคิดส่วนใหญ่จะเป็นคิดแบบไห น, นคำพูดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างนั่นะนะเป็นการปรุงแต่งทางด้านนามธรรมานะเมื่อมีการทำงานทางใจแล้วรู้ทันมีการทำงานทางใจแล้วรู้ทันะในขณะที่รู้นั่นแหละเป็นขณะที่เอา ของจริงให้จิตดูสติมีหน้าที่จับเอาของจริงมาให้จิตได้เรียนรู้จิตเนี่ยปกติจะไปเรียนรู้สิ่งอื่นข้างนอกเรียนรู้หน้าตาคนนี้เป็นอย่างนี้เสียงคนนี้เป็นอย่างนี้บ้านจิตสบายมีลักษณะอย่างนี้มีลมพัดมาลมพัดแล้วมีอาการลมลมเย็นลมร้อนลมแรงลมเบาเป็นประสบการณ์ต่างๆที่อยู่กับโลกแล้วรู้ข้างนอกไม่รู้เลยว่าจิตขณะนั้นกำลังคิด สิ่งที่เราจะต้องฝึกนอกจากจะรู้สภาวะความโกรธความโลภความหลงที่เกิดขึ้นในใจแล้วมารู้ทำการทำงานของจิตด้วยตอนรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เป็นเป็นกิเลส ต, ต่างๆตอนรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เป็นกิเลส ต, ต่างๆเนี่ยขณะนั้นมันทำหน้าที่เรียนรู้สภาวะที่เป็นลักษณะเฉพาะ อยากไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาใหมา่คือลักษณะของความโกรธมีแบบหนึ่งนะลักษณะของความความรักหรือราคะมีอีกแบบหนึง่งความเหม่อลอยมีอีกแบบหนึงนะ่งฟุ้งซ่านหดหูมีลักษณะของมันเฉพาะของมันตอนที่เรารู้จักว่านี่คือโกรธเพราะเรารู้ลักษณะเฉพาะของมันเช่นความโกรธมีลักษณะที่ดุ ที่ดุร้ายแล้วก็จะไปทำร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายแม้กระทั่งตัวเองมีลักษณะความโกรธราคะคือพอใจอยากดึงเอาไว้อยากประคองเอาไว้อยากจะให้เป็นของของตัวนะมีลักษณะที่เหนียวเหนียวดึงไม่ค่อยขาดมันพอใจไม่อยากเสียไปความเม่อรลอยคือไม่ค่อยรู้ตัวกลายเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ความเม่อรลอย ลักษณะของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็ mm hmm. เรียกว่าลักษณะเฉพาะตัวศัพท์ทางพระเรียกว่าวิเศษลักษณะเคยได้ยินไหมวิเศสลักษณะคนคนไม่เคยได้ยินทําใจหน่อยนะฟังศัพท์เอาไว้ก่อนอาตมาเคยประเภทอย่างเงี้ยฟังธรรมของหลวงพ่อพุธเจอสัพท์แปลกๆงงต้องฟังซ้ําฟังซ้ําบ่อยๆพอฟังซ้ําขึ้นมาก็เออพอจับได้ แต่อศัยครั้งแรกที่งงนั่นแหละเป็นตัวพื้นฐานนะตอนนั้นฟังหลวงพอ่อพุธท่านอธิบายเรื่องเรื่องเรื่องสมาถะจิตสงบเป็นสมถะเป็นสมาธิสองแบบอ า, มมาอารัมมานุปนิชฌานกับลักคนุปนิชฌานยิ่งงงอย่าเลยใช่ไหมอาตมาบวชตั้งหลายภรรษายัางงงเลย แต่อาศัยที่ฟังท่านนั่นแหละเก็บข้อมูลเป็นคำมาไว้ก่อนพอได้รับค ำ, คำอธิบายขยายความจากองค์อื่นครูบาอาจารย์ท่านอื่นทำให้มีการเชื่อมโยงความรู้นะจากการเก็บเฉพาะศับนะอันนี้เอาเอาสั์ไปก่อนนะวิเศษลักษณะวิเศษสัวิเศษวิเศษลักษณะพิเศษนะลักษณะพิเศษ เ, ศษเฉพาะตัวนะ คนนี้หน้าตายอย่างนี้ไม่เหมือนคนนี้คนนี้มีลักษณะพิเศษถึงแมแ้จะมีแฟดหน้าก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ยนะมันเป็นพิเศษพิเศษของแต่ละคนเราจึงจำได้ว่านี่คือคนนี้นี่คือคนนี้ชื่อนี้นี่คือคนนี้ชื่อนี้เพราะคนนี้ไม่เหมือนคน น, นี้นี่เรียกว่าลักษณะพิเศษเข้าใจไมโกรธไม่เหมือนรักฟุ้งซ่านไม่เหมือนหดหูเมตตาไม่เหมือน ศรัทธาเมตตาไม่เหมือนโกรธลักษณะของของใจในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันมีลักษณะพิเศษพิเศษอย่างนั้น <c oughs> สติมีหน้าที่จับเอาลักษณะพิเศษอย่างนี้แหละมาให้จิตดูจิตแยกแยะได้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นสติจับเอาลักษณะพิเศษหลังเนี้ยมาให้ดูว่าจิตเนี้ย มีสิ่งปรุงแต่งต่างๆประกอบขึ้นไม่เหมือนกันในแต่ละขณะแต่ละขณะที่จับมาให้ดู <c oughs> ลักษณะต่างๆที่เป็นวิเศษะละักษณะเราเรียนรู้จากการมีสติและสติมีหน้าที่ที่จะป้องกันรักษาจิตก็คือทำให้กิเลส ต, ต่างๆที่เห็นนั่นะไม่เติบโตกิเลสไม่ครอบงาจิตถ้ากิเลสครอบงาจิตคือขณะที่สติมันไม่ทางาน มีกิเลสขึ้นแล้วจิตไม่รู้กิเลสเติบโตครอบงำจนมาบงการจิตให้มาแสดงออกทางกายและวาจาไปเบียดเบียนกันโกรธแล้วต้องทุบต้องตีต้องออกแรงหรือรักอยากได้อยากได้ถ้าสติไม่เกิดมาตัดไอความอยากได้มันก็อยากจะหยิบมาเป็นของตัวถ้าเป็นของ ก็จะหยิบมาเป็นของตัวถ้าเป็นคนก็จะฉุดจะจะแย่งเขาอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดการแสดงออกทางกายและวาจาที่ผิดศีลเพราะนั้นสติสติที่เกิดขึ้นจึงทำให้รักษาศีลด้ด้วยนะรักษาศีลมันจะเป็นต้องไปท่องเวรามณีเวรมณีเวรมณี5ข้อ10ข้อเพียงแต่รู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นไม่ให้กิเลสนั้นเติบโตและครอบงามาบงการ ให้เราแสดงออกทางกายและวาจามีสติแล้วศีลบริบูรณ์เองนะคนเจริญสติจึงรักษาศีลไม่ยากหน้าที่ต่อไปก็คือทำอย่างไรให้มีจิตที่ตั้งมัน่นทำอะไรจะให้มีจิตที่ตั้งมัน่นตอนที่มีสติเนี่ยรู้สภาวะรู้ว่าเมื่อกี้โกรธรู้ว่าเมื่อกี้โลภรู้ว่าเมื่อกี้เหม่อลอยฟุ้งซ่านหดหู ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของไม่ดีเพราะของดีไม่ค่อยเกิด <laughs> มีแต่ของไม่ดีเกิดบ่อย <c oughs> เกิดบ่อยรู้บ่อยกายมีสติบ่อยนะไม่ต้องไปรังเกียจนะ <c oughs> เมื่อเห็นมันบ่อยเห็นมันบ่อยเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเริ่มเคยชิน เริ่มรู้แนวทางของมันเฮ้ยก่อนจะโกรธเนี่ยนะมันไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจก่อนเห็นหน้าที่เห็นหน้าคนเนี่ยเป็นศัตรูเก่าไอ้คนนี้เคยแย่งแฟนเราหรือว่าไอ้คนนี้เคยทำร้ายเราเห็นแล้วไม่ชอบใจคือเห็นอารมณ์ที่เป็น อ น, นิถารมเอาคำศัพท์ไปก่อนนะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอา น, นิถารมแปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะเช่นมีทรัพย์อยู่แล้วเสื่อมทรัพย์มีลาภอยู่แล้วเสื่อมลาภมียศอยู่แล้วถอดถูกถอดยศนี่นะหรือมีความทุกข์หรือว่ารู้ว่าถูกนินทาถ้านินทาแล้วไม่รู้นะ่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเขาดินทาไม่รู้ไม่เป็นไร แต่ถ้ารู้ว่าถูกดินทาจักขูหละจักเคี่ยวออกจักเป็นตัวดุขึ้นมาละอันนี้เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจส่วนอารมณ์ที่น่าพอใจก็มีอะไรมีลาบมียศมีสุขมีสันเสริ ญ, ส, ส, รญสันเสริญเขาสันเสริญรับหลังไม่รู้ตัวไม่ดีใจยังไม่ดีใจใช่หมแต่ถ้ารู้ว่าเขาสันเสริญรับหลังโอ้หดีดี ด, ดีสาธุสาธุ ถ้ามีอารมณ์ที่ดีเราก็พอใจอยากให้มันเกิดนานๆอยากให้เกิดบ่อยๆกาเรียกมีมีอะไรมีมีราคะกับอารมณ์นั้นมีอารมณ์พอใจกับอารมณ์นั้นนี่คือพอเห็นมันบ่อยๆเกิดเกิดตับๆเราเริ่มเห็นที่มาของมันเห็นที่มาของมันรู้ทันว่ามีเหตุอะไรจึงมีแบบนี้ขึ้นมาก็ เ, เรียกมีเหตุใกล้ให้เกิดอารมณ์ที่เกิดเฉพาะหน้านั่นแหละเป็นเหตุใกล้ นอกจากนั้นยังมีเหตุไกลด้วยนะเหตุใกล้แล้วก็ยังมีเหตุไกลด้วยนะเหตุไกลคือพวกขี้โกรธเนี่ยสั่งสมอารมณ์โกรธไว้มากมันจึงเคยชินที่จะโกรธโกรธบ่อยแล้วไม่มีสติมาดับยับยัง้งสั่งสมอารมณ์โกรธไว้มากเป็นคนขี้โกรธขี้นะั้นขี้โกรธคือไม่น่าไม่น่าคบส่วนคนที่ขี้โลภ ขี้โรบมีไหมก็มีนะคนขี้โรคคนราคะจัดอะไรเงี้ยนะหรือคนไม่ค่อยมีสติเหม่อลอยทําตัวเหม่อลอยบ่อยทําลายสติตัวเองบ่อยๆท่านจึงเอาข้อห้ามาพ่วงมาด้วยในศีลคืออย่าทําร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าไปทําลายสตินะการทําร้ายตัวเองด้วยการทําลายสติ ตัวเองด้วยการกินเหล้าเนี่ยนอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้วยังทาร้ายบุคคล ร, รอบๆข้างตั้งแต่เขาเห็นว่าเรากินเหล้าเนี่ยนะคนรอบข้างชักรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาไปเข้าร้านอาหารถ้าเขามีวงเหล้าอยู่มีโต๊ะที่กลุ่มหนึ่งเขากินเหล้าอยู่เรารู้สึกปลอดภัยแม้ที่จะนั่งใกล้ๆเขา <laughs> รู้สึกว่าห่างๆไปก่อนดีกว่าไป รู้สึกไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยยิ่งถ้ามีอาการเมาให้เห็นเรารู้สึกว่าร้านนี้ไม่เอาดีกว่าออกมันเป็นการทำาลายตัวเองรู้ทันสภาวะแล้วรู้ที่มาของมันเริ่มรู้สึกเข้าใจเริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มเข้าใจชีวิตว่าอ๋อเพราะมันมีไอ้นี้จึงเกิดไอ้นี้ถ้ามีไอ้นี้แล้วมีสติขึ้นมามันดับ อ๋อแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานมีสติดับสติเองก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเริ่มเข้าใจเริ่มรู้สึกว่าสิ่งดีมีแล้วก็ดับสิ่งไม่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดสิ่งดีได้แล้วก็ดับ <c ười> โกรธเกิดขึ้นมาโกรธนะโกรธนะอยู่แต่ความโกรธนั้นเป็นเหตุให้เกิดสติได้เหมือนกัน เ ม, ม, มื่อยลอยเม่อเหมือนกันเมื่อแต่เมื่อนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสติได้เหมือนกันแลว้วก็ดับโกรธเม่อฟุ้งซ่านทุกอย่างเกิดได้เป็นอกุศลด้วยนะอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วมีสติกลายเป็นว่าอากุศลทั้งหลายนั้นมันก็ไม่แน่นะเป็นเหตุให้เกิดกุศลได้เหมือนกันแต่แล้วกว็ดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเริ่มวางเฉย เริ่มไม่แรกแรกเราสะเทือน ส, สติเนี่ยจะรู้สึกว่ามึงจะมีทําไมว่าไ อ, อ้อกุศลมันเกิดอีกแล้วเริ่มไม่พอใจอกุศลทั้งนั้น ท, ท, ท, ท, ที่รู้นะรู้ว่าอกุศลเกิดแล้วก็ไม่พอใจมันฟุ้งซ่านอยู่อืมทําไมต้องฟุ้งอยู่วะโกรธจิตตัวเองที่มันฟุ้งซ่านโกรธจิตตัวเองที่มันมีราคะฉันเป็นนักปฏิบัตินะทําไมราคาเกิดอีกหนึ่งอีกฉันเป็นนักปฏิบัตินะทําไมควบคุมความโกรธไม่ได้ถ้าฉันเป็นนักปฏิบัตินะทําไมถึง ควบคุมความโลภไม่ได้ดูสิเห็นแล้วน้ำลายไห ล, ไหลเห็นแล้วอยากหยิบอะไรเงี้ยนะเกลียดเกลียดอกุศลที่เกิดขึ้นในใจนะแต่พอเห็นไปเห็นไปเห็นไปอกุศลเองก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลและทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุมีเหตุหก็มันนะแล้วมันก็ดับไม่เที่ยงหรอกมันโกดดนนรธได้ไม่นานหรอกมันโลภได้ไม่นานหรอกมันฟุ้งก็ฟุ้งอาจจะนานบ้างแต่ก็ดับ แต่ก็ดับมันเกิดเกิดดับดับชักเริ่มปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางแบบว่าปล่อยเละละนะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับเริ่มไม่มีอํานาจมาทําให้จิตใจมันกวาดแกว่งกิเลส ท, ที่แรกเนี่ยแม่จะมีสติขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันทําให้พอไปมองดูเริ่มยังยังจิตใจยังกวาดแกว่งอยู่นะเริ่มอะไรยังพอใจไม่พอใจอยู่ พอเห็นมันบ่อยๆเข้าต้องทําสติด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันปล่อยและเพล่ไม่ใช่นะมันต้องเจริญสติไปบ่อยๆจนจิตมันเห็นข้อมูลซ้ําๆซ้ําๆมันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับซ้ํำๆจิตเองแหละมันจะวางมันจะเป็นกลางขึ้นมาเ้าเรียกว่าอะไรไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเนี่ยมีคามีคำหนึงเรียกว่าตั้งมัน มีไอ้นี่ขึ้นมาแล้วเริ่มไม่หวั่นไหวตั้งมัน่นพอตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีอำนาจที่จะดึงดูดจิตให้เป็นไหลตามปกติเราเนี่ยเวลาเห็นอะไรดูอะไรเนะี่ยมันจะไปไหลไปติดแปะอยู่กับอารมณ์นั้นนะ่ะหน้าคนนี้มาแล้วก็พุ่งไปแล้วเห็นพระโพธรูปแล้วก็โอ้ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยแล้วก็พุ่งไปแล้วอยู่กับพระพธรูปแล้ว ใครเห็นพระโพธรูปนี้แล้วรู้สึกชื่นชมใครเห็นแล้วรู้สึกศรัทธาใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้บ้างทุกครั้งที่เห็นไปแล้วนึกตำหนิหรือนึกชื่อโชมเลยนะจิตมันไหลไปอยู่ในนู้นหมดไหลในอยู่ในองค์พระหมดแต่ผู้ที่ดูบ่อยๆมีสติบ่อยๆจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งมั่นนานตั้งมั่นพอเห็นอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่ไหลตา่าง มันจะเป็นขณะที่เห็นเห็นอารมณ์มันผ่านไปมันจะเห็นชัดว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงมันผ่านไปมันไม่เที่ยงหรือมันตั้งอยู่ได้ไม่นานอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเนี่ยนะมันตั้งอยู่ได้ไม่นานหรือคุมอะไรมันไม่ได้มันมีเหตุก็เกิดโมเทสก็ดับเอาอำนาจความอยากส่วนตัวไปคุมมันะคุมไม่ได้ มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเป็นอนัตตาการที่มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์มันจะเป็นเหตุให้เราเห็นลักษณะสามมันทั่วๆไปของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราเรียกอย่างนี้ว่าไตรลักษณะสามอย่างหรือเรียกลักษณะสามอย่างว่าเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทั่วๆไปกับสิ่งปรุงแต่ง ลักษณะที่เกิดขึ้นทั่วๆไปกับสิ่งปรุงแต่งมีศับทั้งพระเรียกว่าสามัญลักษณะเป็นลักษณะสามัญพื้นฐานทั่วทไปอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งปรุงแต่งด้วยนะเป็นลักษณะสามัญของสิ่งปรุงแต่งต่างๆเห็นอย่างนี้แล้วรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้อย่างนี้มีความรู้เท่าๆกับพระโกนฐายักสิ่งทั้งปวง เกิดดับเกิดดับแม้แต่ความเป็นตัวตนความรู้สึกเป็นตัวตนไม่ได้อยู่ตลอดนะตัวตนนี่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตอนที่จะมีตัวตนขึ้นมาต้องมีความคิดขึ้นมาก่อนคิดคิดคิ ด, คดออกนี่แตัวตนตัวตนมีอยู่ตอนหลังจากคิดไม่ได้มีอยู่ตลอดและเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริง ของจริงแท้ๆเป็นความเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่ามานะความถือตัวแต่ตัวตนที่เรียกว่าเป็นอัตตาที่เกิดดับที่เราก็จว่าเป็นวิญญาณออกจากร่างนี้ไปไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเข้าท้องหมาอะไรเงี้ยไม่ทําไมมันไม่น่าจะเปลียบกันเลยหรือไปเข้าท้องคนอ่ะท้องคนก็ได้ไอ้อย่างงั้นเป็นความคิดผิดมีพระสมัยก่อนคิดอย่างนี้นะนะพระ เพื่อนทั้งหลายรู้ว่าคนนี้พระองค์นี้คิดอย่างนี้ไปเตือนบอกท่านคิดผิดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะเขาก็ไม่เชื่อนะจนพระพุทธเจ้าต้องมาแสดงให้ฟังว่าท่านน่ะคิดผิดที่คิดว่าวิญญาณเป็นของเที่ยงออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนู้นออกจากร่างนู้นไปเกิดใหม่ตายแล้วไปเข้าร่างนู้นอีกอย่างนี้เรีว่าคิดผิดวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดวิญญาณเกิดดับทางตาเกิดทางตาระดับต่างๆด้วยนะไม่ใช่เกิดตาแล้วมาดับหูนะ เวลาเกิด่างตาคือมีความรับรู้ทางตาลืมตามาแสงเข้าตามีภาพเข้ามาในตามีความรับรู้ทางตาคือมองเห็นดูมองเห็นดูแล้วเรียกว่ามีวิญญาณทางตาแล้วก็ดับถ้าจะมาฟังก็จะมีวิญญาณทางหูมีเสียงเข้ามาถึงหูมีความรับรู้ตรงนี้เรียกว่ามีวิญญาณโสตะวิญญาณแล้วก็ดับที่หูนะถ้ามาดม ตอนฟังเนี่ยไม่ดมถ้ามาดมตอนดมนี่ไม่ฟังเรียกว่ามีวิญญาณทางจมูกตอนชิมไม่ฟังกินไม่ฟังใคร <c oughs> กินไม่ฟังใครเนี่ยวิญญาณก็มารับรู้ที่ลิ้นแต่ความไวของจิตเนี่ยมันไวมากทําให้บางทีเราแยกไม่ออกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันมีรับรู้ทางลิ้นแล้วค่อยมาฟังนะแล้วค่อยมาดูนะอย่างนี้นะมันแยกไม่ออกเพราะมันไวมาก นังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าคอยเจริญสติบ่อยๆสติบ่อยๆจะทําให้เห็นความขาดช่วงความขาดช่วงของของอารมณ์ต่างๆของขณะต่างๆที่เกิดขึ้นมาความขาดช่วงนี่แหละจะเป็นตัวแบ่งแยกได้ว่าจิตมันเกิดดับทางทวารต่างๆรู้จักทวารไหมไม่ใช่ทวารแบบคนใต้นะทวารคนใต้ไม่ถึงเหมือนถึงทวารหนักเวลา แวลาพูดกับคนหลายๆท้องถิ่นเนี่ยต้องแจกแจงให้ทั่วเคยอยู่กับพระภาคใต้จึงได้รู้บ อ, บอกถวาวรอะไรพูดถึงอธิบายเกีเ่ยวกับถวาวรถาวรเนีน่ยตอนนั้นเนนเขาเรียนนักธรรมพูดถึงถวาวรพระท่านก็บอกอถ้าตอบไม่ได้จะแยงวานถ้าตอบไม่ได้จะแยงวานอะไรแยงวานแย่ก้น อ๋อเลยออทวารของทางใต้เข้ามาถึงอย่างนี้ทวารหมายถึงช่องทางช่องทางที่จะไปรับรู้สิ่งต่งตางๆมีตาไว้รับรู้รูปมีหูรับรู้เสียงจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายได้รับรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนใจเอาไว้รับรู้ความคิดนึกความคิดนึกต่างๆปรุงแต่งต่า ง, งๆที่เป็นนามธรรมารวมทั้งรับรู้เกี่ยวกับ รูปเสียงเกลียนลดทางทางทวารทางกายด้วยทางกายนี่ด้วยไปถึงไหนแล้วเนี่ยพอไปถึงเรื่องแยงวานเลยงงเลยวิญญาณมันเกิดดับทางทวารต่างๆนะมันไม่ได้อยู่ยืนยาวในเป็นเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงแบบถาวบอลนะมันเกิดดับเกิดดับทาง ทางช่องทางต่างๆเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณเกิดดับอยู่เสมอไม่ใชเ่เป็นดวงเที่ยงๆแ ล, ะจะล้จะได้ไม่ถูกหลอกจะได้ไม่ถูกหลอกเกิดความเห็นเรียกว่าความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเป็น อ, อะไรอ่ะสัมมาทัศนะ ใช้สับสูงหน่อยนะสัมมาทัศนคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาวะสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมากายเป็นเป็นเรื่องของรู ป, ปรธรรมใจนี้เป็นเรื่องของนามธรรมานามธรรมาก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาพร้อมกันปรุงแต่งไปเรื่อยๆถ้าจิตไม่รู้ทันตรงนี้ก็เข้าไปยึดเข้าไปยึดยึดว่าเป็นตัวเป็นตน ความเป็นตัวเป็นตนมาจากการที่ยึดนั่นเองจะพูดมากจากยากนะพอแค่นี้เดียวมก <c ười> ี่นาทีแล้วนะอ้เข้าใจไหมขอเข้าใจหจิตเกิดดับอยู่ทางทวารต่างๆอยู่เสมอนะทางคูบาจารย์เรียกว่าจิตมันไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่เหมือน <c ười> ไม่เหมือนปลา ู้จากปาลาร้าไหมปาลารเนี่ยมันต้องมีหายปาลารนะหายปาลาร้โยมพ่อเคยเล่ามีพระใหม่พระใหม่องค์นึงอยู่วัดพระท่านไปในวัดนั้นท่านไปกิจนิมนต์กันหมดก็เหลือพระใหม่อยู่องค์เดียวพระบทใหม่ด้วยมีโยมมาจะถวายอาหารนะ ไอเด็กวัดก็มาหลวงพี่หลวงพี่มีคนจะมาถวายอาหารเออให้ไปรอที่ศาลาที่ศาลาฉันเดี๋ยวจะไปหลวงพี่ต้องให้พรเน้นนะแล้ว เ, เ, เราก็ให้พรไม่เป็นเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ย ว, ย ว, ยวไปคุยกันได้ไปถึงก็ที่อาสนะพระอาสนะพระสมัยโบราณมันก็จะเป็นยกแท่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ปูปูเสือไอคนนั้นก็เอาไหายปลาลไปตั้งตรงที่พระจะนั่ง พระท่านก็ไอนี่นี่มันไม่รู้จากที่ตั้งกูจะนั่งตัวนี้มันเอาหายปล่ามาตั้งแต่ไม่เป็นไรนะรับประเคสไว้ก่อนนะรับประเคสเสร็จโยมก็ก็ขอพอรด้วยครับนะท่านก็บวใหม่เพิ่งบวใหม่หมนอะไรไม่เคยท่องแล้วกูจะเอาให้พให้พ อ, อยังไงดีวะเอาวะเอาตัวนี้แหละอะป ร, ะรามะตัง ทิตังมิตังมะตังทิกูจนังแปลออกมั้ยแปลออกเหรอเก่งนี่เรียนบาลีมาหรือเปล่าแปลออกมั้ยแปลออกปะแปลออกเหร อ, ร อ, อ, หรอบาลีนะแปลว่างไงแต่โยงกันนักษาธุเลยนะโอ้ยท่านนี่ให้พร เก่งมากเลยพร น, นี้ไม่เคยได้ยินเลยเฮ้เนี่พิเศษพิเศษให้พิเศษยมดีใจกลับไปละไอ้เด็กวัดงงห mm hmm. ลวงพี่พรบทนี้ไม่เคยได้ยิน <Yeah. S 1> อะพรบทนี้ไม่เคยได้ยิน mm hmm. แปลให้ฟังหน่อย mm hmm. ไม่ต้องแปลหรอกน่าแปลให้ฟังหน่อยอ่ะแปลก็ได้อืมอะไรหลวงพี่เมื่อกี้ว่าหมายสิอ่ะปารามตังเอาปารามมาตัง้งทิตั้งมิตัง ที่ตั้งไม่ตั้งมะตั้งที่กูจะนั่งมาตั้งที่กูจะนั่ ง, ต ง, ง <c oughs> แต่แปลรับหลังโยมนะ <c oughs> จิตไม่ใช่ไหปลาร้จิตไม่มีที่ตั้งมันเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นด้วยนะเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเข้าใจไหม ต้องมีนิทานประกอบปา ร, รบวันนี้ปรารบเรื่องของข่าวของข่าวเกี่ยวกับการกินเจแล้วก็เลยไหลเรื่อยมาจนถึงปราร้าแต่พระฉันเนื้อได้นะพระฉันเนื้อได้พระเนี่ยไม่มีบัญญัติว่าจะต้องกินเจ ฉันเนื้อได้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะงดเว้นเนื้อด้วยสุขภาพของท่านเองพระฉันเนื้อได้มีเนื้อต้องห้ามมีต้องห้ามของพระคือช้างเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อหมาเนื้อสุนัขอะนะเวลาอาตมาท่องนะเนื้อ10อย่างต้องห้ามเนี่ยอาตมาจะมีสูตรท่องสําหรับอาตมาเองช้างม้าหมีหมางูคนสิงโตเสือเหลืองเสือโค่งเสือดาว ช้างม้าหมีพราะหมาเนี่ยต้องบอกว่าสุนัขช้างม้าหมีสุนัขงูเนื้องูเนื้อคนบรรดาทั้งหมดเนี่ยเนื้อคนเนี่ยมีโทษมากสุดนะจะเป็นอบัตตัวใหญ่กว่าเนื้อทั้งเก้าเนื้อช้างเนื้อม้าเนี่ยเป็นพาหะของพะราชาถ้าไปกินเนี่ยเท่ากับว่าไม่สมควรนะเป็นช้างม้าเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่มีคุณ มีคุณต่อประเทศชาติมีคุณเป็นนิ่งเป็นพาระของพระราชาด้วยแล้วไม่สมควรกินใครไปกินเข้าในแสดงว่าไม่เหมาะสมโหดร้ายเกินไปจนะางมา้าหมีหมีเป็นสัตว์ดุร้ายหมาเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนทราบปัจจุบันก็น่าจะนับแมวไปด้วยนะกินแมวแต่ว่าในคำภีไม่ได้ระบุนะก็มีหมีมงูงูก็เป็นสัตว์ดุร้าย คนไปกินสัตว์ดุร้ายก็น่ารังเกียจรู้สึกว่าขนาดมันร้ายแล้วไอ้คนอย่างกินไอ้คนร้ายมากกว่าไอ้ตัวงูตัวหมีนั่นอีกมีอะไรอีกฮะสิงโตเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวอันนี้ยิ่งยิ่งร้ายใหญ่เลยใช่ไหมกินเสือกินสิงโตรู้จักเสือไหมรู้จักเสือไหมเสือเสือในมีสามแบบระบุถึงสามแบบนะเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวรู้จักเสือเหลืองไหมไม่ใช่พระนะ บางคนพระเนี่ยเสือเหลืองไม่ใช่นะเสือโครง่ครงเสือดาวเสือโคร่งเนะสือดาวรู้จักไหมรู้จักนะเสือดาวเคยดูไหมเคยฟังเสียงเคยฟังเสียงเสือไหมเสื อ, อ, อร้งงองอยังไงฮะโหกโหกอ่ะสิงโตอ่ะสิงโตร้องงไง ใครเคยฟังเสียงสิงโตเคยฟังไหมเคยฟังไหมเคยอระร้องไงร้องไม่ถูก <c ười> มาเคยฟังตุ่งแช่ตุงแช่ ต, แช <c ười> ตอนนี้ร้องบ่อ ย, ยสิงโตเคยยินไหมเนื้อต้องห้ามสิบอย่างนะ ช้างมางูคนสิงโตสื่อเนือกเสือเรื่องสอเองสือโครง่งเสือดาวนอกจากนั้นถ้าไม่สงสัยไม่เห็นว่าเขาฆ่ามาถวายไม่ได้ยินว่าเขาจะฆ่ามาถวายหรือไม่สงสัยคือบางทีก็สงสัยว่าเอ้เนื้อนี่เขาไปฆ่าเจาะจงเพื่อมาถวายเราหรือเปล่าเช่นพระทุดงพระทุดงทรงกรดอดอาหารมื้อเช้า อย่างที่พรพิรมเคยร้องใครเกิดทันมั้งต้องถามว่าใครเกิดทันมั้งทันไหมที่ว่าไปตามป่าแล้วนะแล้วไม่มีอะไรจะถวายพระมีไก่เลี้ยงอยู่นะก็ต้องจะเชือดไก่ปึกตาขยายปรึกษากันจะเอาอะไรถวายพระดีจะเชือดไก่นี่ถวายพระไก่ก็ต้องมาเอารูปมาสั่งสอนแล้วก็เออ เอาข้าไก่เพื่อจะทำอาหารถวายถ้าพระได้ยินถ้าพระสงสัยว่าเพราะอาตมาภาพหรือเพราะเรามาอยู่ในที่นี้ไอไก่ตัวนี้จึงตายถ้าพระท่านสงสัยอันนั้นอาหารอย่างนั้นไม่ควรพระจะไม่ฉันถึงแม้ลูกไก่จะไปเกิดเป็นดาวแล้วก็ตามอันนี้เข้าใจนะเรกเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของพระ รวมถึงของข่าวของขาวทางด้านกายภาพและของข่าวขาวในใจให้เว้นจากของข่าวในใจส่วนขาวทางกายภาพเนี่ยถ้าเว้นด้วยจิตกุศลคือเว้นจากการเบียดเบียนได้ก็ขอโมทนาส่วนที่จะอธิโมทนามากกว่านั้นคือข่าวที่เป็นกลิ่นขาวในใจจะเว้นกลิ่นขาวในใจได้ ต้องมีสติรู้มันแยกแยกออกว่าไอ้ น, นี้เป็นอกุศลของข่าวอ้ น, นี้เป็นกุศลทำได้เป็นกลิ่นดีกลิ่นหอมทำได้นั้นตัวหลักเลยที่เราจะต้องทำคือสติเองแยกแยกออกว่าอันนี้เป็นข่าวนะอันนี้เป็นกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมทางทางนามธรรมา ท, นะทางจิตนั่นเอง